ข้อที่สี่หลักฐานโดยทั่วไปในคำภีรกล่าวถึงหลักอนัตตารวมอยู่ในไตรลักษ์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอยู่แล้วว่าขอบเขตของอนัตตากว้างขวางกว่าอนิจจงและทุกข์กล่าวคือในสองอย่างแรกสังขาร คือสังคตรธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ในข้อสุดท้ายธรรมะทั้งปวงซึ่งบอกชัดอยู่แล้วว่าไม่เฉพาะสังขารหรือสังคตาธรรมทั้งนั้นแต่ทั้งสังขารและธรรมหรือธรรมะอื่นนอกจากสังขารคือทั้งสังคตรธรรมและอสังคตาธรรมหรือทั้งสังขารและวิสังขารเป็นอนัตตาโดยเฉพาะคำพีปริวารแห่งพระวินัยปิดก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 ดังตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเมื่อตรัสเรื่องขันห้าและอายตนาส2สองตามหลักไตรลักษณ์ข้อสรุปที่สองถ้าใครตั้งคำถามขึ้นมาเดี่ยวโดดเลยลอยเพื่อต้องการคำตอบในเชิงอภิปรัชญาว่าอัตตามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าจะทรงนิ่งเสียไม่ทรงตอบเรื่องนี้มีตัวอย่างเช่นปริพาชก ชื่อวัชโคตเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอัตตามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าทรงนิ่งเสียวัชโคตทูลถามต่อไปว่าอัตตาไม่มีหรือพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งอีกวัชโคดจึงลุกออกไปครั้นแล้วพระานุนทด้เข้าไปทูลถามว่าเหตุใ ด, ดพระองค์จึงไม่ทรงตอบคำถามของปริกพาโชคนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ถ้าพระองค์ตอบว่าอัตตามีก็เท่ากับเข้ากับลัทธิพวกสัตตาวาสถ้าพระองค์ตรัสตอบว่าอัตตาไม่มีก็เท่ากับเข้ากับลัทธิพวกอุเฉทวากอันหนึง่งถ้าพระองค์ตรัสตอบว่าอัตตามีก็จะไม่เป็นการสอดคล้องกับการเกิดยานว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา